เมื่อเธอย่างเท้าก้าวที่1เข้าสู่บริเวณรั้วของหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมต้องอบัติทุลใจย่างเท้าก้าวที่2ต้องอบัติสังขาริเศตเมื่อเธอย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่อุปจารของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมต้องอบัติทุลใจย่างเท้าก้าวที่2ต้องอบัติสังขารทิเศตคำว่าข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวความว่าที่ชื่อว่าแม่น้ำ คือสถานที่ใดที่หนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุณีคลองผ้าปกปิดมณฑลสเดินข้ามอันตรวาศกเปียกเมื่อเธอย่างเท้า9ก้าที่1ข้ามไปต้องอบัตทุลใจย่างเท้าเก้าที่สองข้ามไปต้องอบัตสังฆาทิเศตคำว่าออกไปอยู่ภาคแรมในราตรีเพียงรูปเดียวความว่าเธอละหัตบาทระยะห่างสองครึ่ง จากภิกษุณีที่เป็นเพื่อนในขณะที่อรุณขึ้นต้องอบัตทุลัยพ้นหัตถบาตรแล้วต้องอบัตสังฆาทิเศษคำว่าหรือปลีกตัวจากคณะอยู่รูปเดียวความว่าในป่าซึ่งไม่มีหมู่บ้านอยู่เมื่อเดินไปกําลังจะพ้นระยะที่จะมองเห็นได้หรือบริเวณที่เพื่อนภิกษุณีจะได้ยินเสียงต้องอบัตทุลใจเมื่อพ้นไปแล้วต้องอบัตสังฆาทิเศต คำว่าแม้ภิกษุณีนี้พระผู้มีพระภาคตรัดเทียบเคียงภิกษุณีรูปก่อนๆคำว่าปฐมมาปฏิกะคือต้องอาบัตพร้อมกับการล่วงละเมิดวัตถุโดยไม่ต้องสวดสมรภาษคำว่านิสรณิยะได้แก่ทำให้ถูกขับออกจากหมู่คำว่าสังคารทิเศษความว่าสำหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้มานัดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าสังขาธิเศต